เทศอบรมพระวันที่31ตุลาคม2521นี่น่าฟังมากสำหรับพระโดยเฉพาะเทศเรื่องไม่ปฏิบัติไปตามคนแต่ปฏิบัติตามธรรมวินัยอันเป็นหลักปกครองโลกหลักศาสนาที่จะเด่นแก่ปวงชนก็คือพระเนนผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยเป็นสำคัญ จงพากันสำนึกเสมออย่าลืมตัวมั่วสมคนฉลาดยังมีอยู่มากที่จะทรงศาสนามีรูปเสียงผู้หญิงอยู่นี้ด้วยเทศเผ็ดร้อนมากเกี่ยวกับการก่อสร้างกุฏิเครื่องใช้วิทยุโทรทัศน์หรูหราหน้าอายคารวาสแต่ความหน้าด้านไม่ยอมอายใครเทศนุ่มนวลเผ็ดร้อนปนกันตอนปลาย ฟังอาจได้เฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นวัดนี้เราไม่ปฏิบัติตามความรู้ความเห็นความต้องการของคนแต่เราปฏิบัติเพื่อหลักธรรมหลักวินยัยหลักศาสนาซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพื่อประชาชนทั้งแผ่นดิน เพื่ออาศัยศาสนาอันเป็นทีราบรื่นดีงามซึ่งเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของพระเนนด้วยดีแล้วเพราะฉะนั้นเราจงไม่สนใจที่จะ ป, ปฏิบัติต่อผู้ใดให้นอกเนื้อจากธรรมจากวินัยจากหลักศาสนาไป หากว่าเราได้โอนเอ็นไปตามความรู้ความเห็นของคนงมงมากซึ่งหาประมาณไมาได้แล้ววัดนี้ก็จะหาประมาณไม่ได้วัดไหนก็หาเขียดหาเดียนหาประมาณไม่ได้ก็กลายเป็นวัดไม่มีเขตมีเดียนไม่มีกฎเกณฑ์ไปเลยทีนี้ผู้หาของดีก็คือคนฉลาด จะหาของดีไว้ยึดเหนี่ยวน้าใจพอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็หาไม่เจอเพราะมีแต่สินเหลวไหลเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนนเต็มไปหมดทุกแห่งทุกหตนตาบลหมู่บ้านไม่ว่าวาดัดไม่วัดโลกเลยพระเคร้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหาสาระสำคัญไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องแยกแยะ วาศาสนากับโลกแม่อยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันพระเนรวัดวาอาวาสศาสนาอยู่ในวัดของบ้านก็ไม่เหมือนบ้านคนมาเกี่ยวข้องก็ไม่เหมือนคนต้องเหมือนวัดเหมือนพระเหมือนธรรมวินัยอยู่เสมอหลักนี้เป็นหลักสาคัญที่จะยึดเหนียวน้ำใจของคนที่มีความเฉลียวฉลาด หาหลักความจริงไว้เป็นที่สักการะบูชาหรือเป็นขวัญใจได้เราคิดในแง่นี้มากยิ่งกว่าแง่อื่นแม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ศาสดาก็ทรงคิดในแง่นี้เหมือนกันดังจะเห็นได้ในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่โดยเฉพาะกับพนาคิตะเป็นต้น เวลามีประชาชนจดทาส่งเสียงเอิกกระเริ่งห้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับสั่งว่าใครเสียงยุ่งเหยิงวุ่นวายกันมานั้นเหมือน ก, นกันกับชาวประมงเขาแย่งปลากันเราไม่ประสงค์สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการทำลายาศาสน า, สาศาสนา เป็นสิ่งที่รักษาไว้สำหรับโลกให้รับความร่มเย็นเป็นสุดเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดที่รักษาไว้แล้วด้วยดีเป็นเครื่องอาบดื่มใช้สอยแก่ประชาชนทั่วไปได้ไ ด, ด้วยความสะดวกสบายศาสนาก็เป็นเช่นนั้นจึงไม่ต้องการให้ผู้นึ่งผู้ใดเข้ามารบกวนทำศาสนาให้ผุ่นเป็นตมเป็นโครนไปนี่คือพระพุทธพจน์ ดิจงสแสดงกับพระนาคิตาจากนั้นก็สั่งให้พระนาคิตาไปบอกเขาให้กลับไปเสียเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเกี่ยวข้องกับพระซึ่งท่านหาความสงบสงดัดเวลาอื่นมีถมไปเวลานี้ท่านต้องการความสงดัด น, นี่หลักเป็นตัวอย่าง ของาศาสดาเราไม่ใช่จะคุกครีตีโมงกับประชาชน ญ, ญาติดวมไม่มีเหตุมีผลไม่มีกฎมีเกณฑ์ใครก้าเข้ามาวัดก็ว่าเขาเร่วมสศรัทธาอารมณ์ผ่อนผันไปจนลืมเนื้อลืมตัวกลายเป็นการทำลายตนเองและวัดว า, าศาสนาให้เสียไปวันละเล็กละน้อยจนกลายเป็นตมเป็นโคลนไปหมด ตั้งชาววัดชาวบ้านหาที่ยึดเป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้ด้วยเห็นนี้เราทุกคนผู้บวชในศาสนาจงสำนึกในข้อ น, นี้ไว้ให้มากอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่าเหนือธรรมเหนือวินยัยอันเป็นหลักใหญ่สำหรับรวมจิตใจประชาชนให้ได้รับความร่มเย็น ฐารหลักทำหลักวินัยได้ขาดหรือด้อยไปเสียประโยชน์ของประชาชนที่จะพึงได้รับก็ต้องด้อยไปตามจนถึงกับหาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ศาสนามีเต็มคำภีใบรานมีอยู่ทุกแห่งทุกหนพระไตรปิฎกไม่อดไม่อัน้นเต็มอยู่ทุกวัดถุกว่าแต่สาระสำคัญที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติ ให้ประชาชนทั้งหลายได้รับความเชื่อความนำสายยึดเป็นหลักจิตหลักใจไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นสิริมงคลแก่ตนนั้นไม่มีท า, ทางทั้งที่ศาสนายังมีอยู่เราก็เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วเวลานี้ลากใหญ่ที่จะทําให้ศาสนาจเจริญรุ่งเรืองและเป็นสักดิีพยายนแก่ประชาชน ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดก็คือพระเนรถ้าพระเนนได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินยัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นแลคือผู้รักษาไว้ซึ่งแบบฉบับอันดีงามแหม่งพระศาสนาและหลักธรรมวินยัยเขาจะยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะคนในโลกนี้คุณฉลาดยังมีอยู่มากคนโง่าหาประมาณไม่ได้ เมื่อถูกต้องตามใจเขาเขาก็ชมเชยการชมเชยนั้นก็ชมเชยแบบความโง่ของเขาไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่พอใจก็ตําหนิติดเตียนความตําหนิติดเตียนนั้นก็ไม่เกิดแก่ไม่เกิดประโยชน์แก่ทั้งเขาและเราด้วยแต่ผู้เฉียวฉลาดชมเชยยังได้เป็นหลักอิหลักใจแก่เขาด้วยยังเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ชมเชยพระสงฆ์ก็ชมเชยด้วยหลักความจริงเป็นเนื้อนาบุญของเขาได้ด้วยเขาก็ได้รับไปอยู่ด้วยด้วยเหตุนี้เราผู้ปฏิบัติพึงตระหนักในข้อ น, นี้ให้ดีไปที่ไหนอย่าลืมเนื้อดืมตัวว่าตนเป็นนักปฏิบัติเป็นองค์แทนพระศาสดา ในการดำเนินระศาสนาและประกาศศาสนาด้วยการปฏิบัติของตนเองโดยไม่ถึงกับต้องประกาศสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจในอดในธรรมโดยถ่ายเดียวแม้เพียงข้อวัดปฏิบัติที่ตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็เป็นทัศนียภาพอันดีงามให้ประชาชนได้เกิดความเชื่อความนงสอสัยเพราะการได้เห็นได้ยินของตนอยู่แล้ว ยิงมีการแสดงอัดทำให้ถูกต้องตามหลักของการปฏิบัติโดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วกอยิ่งเป็นการประกาศศาสนาโดยถูกต้องดีงามให้สาธุชนได้กบายึดเป็นหลักใจศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลําดับอยู่ที่ใดไปที่ใดอย่าลืมหลัก สำคัญคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหลักงานสําคัญของพระนี่แหละคือหลักงานสําคัญของพระเราทุกลูปคือเป็นสากยาบุตรพุทธคินนโรตปรากฏในพระพุทธศาสนาว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตเป็นอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นอยู่เพียงโคนผมโคนคิ้วนุ่งเหลืององม เหลืองเท่านั้นอันนั้นใครทำเอาก็ได้สำคัญสำคัญที่การประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนฉีนพยายามระมัดระวังรักษาอย่าให้ขาดให้ด่างให้คล้อยมีความระเวียงระวังอยู่ทุกเรียบทด้วยสติปัญญาของรา อะไรจะขาดตกบกพร่องไปก็ตามศีลอย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะเป็นสมบัติอันจ้ำพันของตนเองประจํากับเพศของตนหวังพิ่งเป็นพิ่งตายกับศีลของตนโดยแท้สมาธิที่ยังไม่เกิดก็พยายามฝึกฝอบรมดัดแปลง จ, จิตใจฝ่าฝืนทรมาน จ, จิตใจตัวพยศเพราะอํานาจของกิเลสนั้น ให้เข้าสู่เนื้ อ, อมือของความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องสกัดลัดกัน้นความขนองของใจอันนั้นให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจนี่ก็เป็นสมาธิสมบัติสำหรับพระเราปัญญาคือความฉลาดปัญญาจะใช้ได้ในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมือ่อ ไม่ว่ากิจการภายนอกภายในให้นำปัญญาออกใช้เสมอยิ่งเข้าสู่ภายในคือการพิจารณากิเลสอาสวะประเภทต่างๆด้วยแล้วปัญญายิ่งเป็นของสาคัญมากปัญญากับสตินี่แยกกันไม่ออกจะต้องทำหน้าที่ไปพร้อมๆกันสติเป็นผู้ควบคุมงานคือปัญญากำลังทำงาน หากสติได้เผลอไปเมื่อไรงานนั้นก็ไม่สำเร็จเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยเพราะฉะนั้นสติจริงเป็นธรรมจำเป็นที่จะต้องแนบนำในงานของตนอยู่เสมอนี่คืองานของพระให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจแล้วออกพรรษานี้ต่างองค์ก็จะ ต้องพรดพาดจากกันไปโดยหลักคติธรรมดาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาห้ามไม่อยู่เพราะเป็นคติธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่แม่ตัวผมเองก็ไปในแง่ใจว่าจะอยู่กับท่านทั้งหลายไปนานเพียงเท่าไหร่เพราะอยู่ใต้อำนาจของกฎอนิจจังเหมือนกันในขณะที่อยู่ด้วยกันพึงตั้งใจซ้ำเนียกศึกษาให้ถึงใจ ผมขอเรามาประพฤติปฏิบัติคำว่าปัญญาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้คือการพิจารณาคลี่คลายดูส่วนต่างๆที่มาเกี่ยวข้องทั้งภายนอกภายในรูป ส่วนมากก็เป็นรูปหญิงในหลักธรรมท่านกล่าวว่าไม่มีอันใดที่จะเป็นค่าสูงแก่เพศสมณะเรายิ่งกว่ารูปหญิงเสียงหญิงกลิ่นหญิงรสของหญิงเครื่องสัมผัสถูกต้องของหญิงนี้เป็นเอกที่จะ ให้เป็นโทษเป็นภัยแก่จมณะเราให้พึงสังรวมระวังให้มากยิ่งกว่าการสังรวมระวังอย่างอื่นสติปัญญาก็ให้คลี่คลายจุดที่สำคัญนี้มากยิ่งกว่าคลี่คลายกิจการงานอย่างอื่นรูปก็แยกแยะดูให้เห็นชัดเจนคำว่ารูปหญิงนั้น ให้ชื่อว่าหญิงความจริงแล้วไม่ใช่หญิงเป็นรูปธรรมดาเหมือนเราเราท่านทนมีหนังหุ้มห่อทั่วเสรนพางร่างกายเข้าไปภายในก็มีเนื้อมีหนังมีเอ็น ม, มีกระดูกเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโกโรคด้วยกันไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาการใดที่ผิดแปลกจาก รูปของเราไปเลยเป็นแต่เพียงว่าความสำคัญของใจนั้นมันว่าเป็นหญิงความว่าเป็นหญิงนั้นมันสลับลงไปภายในจิตใจอย่างเลือกซึ่งด้วยความสำคัญของตนแต่ไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความสำคัญต่างหากเสียงก็เหมือนกันเสียงก็เป็นเสียงธรรมดา แต่แล้วหมายไปว่าเป็นเสียงหญิงเพราะฉะนั้นจึงทิ้มแทงเข้าหัวใจบุรุษต่เพราะอย่างยิ่งหน้าบวชอย่างลึกซึ้งและแทงทะลุเข้าไปจนลืมเนื้อ ล, ลืม <c oughs> กลินก็กลินธรรมดาเหมือนเราเนี่ยก็เพราะเป็นปิ่นคน <c oughs> ถึงเจ้าน้ำอกน้ำหอมน้ำอะไรมาปะมาชโลมก็ เป็นกลิ่นของอ น, นั้นต่างหากไม่ใช่กลิ่นของหญิงแท้แยกแยะออกดูให้ดีรสก็เพียงความสัมผัสกันการสัมผัสก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไรอวัยวะสัมผัสอวัยวะอวัยวะนั้นๆก็เป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่เห็นอะไรผิดแปลกกันนี่เราต้องพิจารณาให้ใชัดเจนอย่างนี้ แล้วก็พิจารณาตนเทียบเคียงกับรูปเสียงปิ่นลดเครื่องสัมผัสของคําว่าหญิงนี้เข้ามาเทียบเคียงกับรูปเสียงกลิ่นลดของเราก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันโดยหลักธรรมชาติโดยหลักความจริงนอกจากความเสกสรรปั้นยอของใจที่มันคิดไปท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยปัญญาพิจารณาคขี่คกายาให้ ความสำคัญในแง่ใดแงนที่จะเป็นข้าศึกแก่ตนเข้ามาแทรกสิงหรือทำลายจิตใจของตนได้ให้สลัดปัดทิ้งด้วยปัญญาอันเป็นความจริงลงสู่ความจริงว่าศักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสศักแต่ว่าเครื่องสัมผัสที่ผ่านแล้วหายไปหายไปเช่นเดียวกับสิ่งอื่นอื่นๆๆนี่คือการพิจารณาถูกต้อง จะพิจารณาไปในวัตถุสิ่งใดก็าตามในโลกนี้มันเต็มอยู่ด้วยกองนิจังทุกขังอนัตตาหาความจีรังถาวรไม่ได้อาศัยสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะพังลงไปวัตถุใดสิ่งใดก็าตามขึ้นชื่อว่ามีอยู่ในโลกนี้ล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่จะต้องพังทลายเขาไม่พังเราก็พัง เขาไม่แตกเราก็แตกเขาไม่พับครากเราก็พับครากเขาไม่จากเราก็จากเพราะโรคนี้เต็มไปด้วยความจากความพับครากกันอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติให้พิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาให้เห็นชัดเจนก่อนหน้าที่สิ่งเหล่านั้นจะพับครากจากเราหรือเราจะพับครากจากสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาของตนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริง เป็นเช่นนั้นจิตใจก็มีความสุขมีพูดถึงขั้นปัญญาในการพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหนึ่งสมาธิก็อธิบายบ้างแล้วคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจเริ่มไปตั้งแต่ความสงบสุขของใจ ใจถ้าไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ดั ด, ดแปลงไม่ได้กดขี่บังคับด้วยอุบายวิธีมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วจิตจะหาความสงบไม่ได้จนกระทั่งวันตายตายเปล่าตายด้วยความพุ่งสร้างตายด้วยความพุ่งเฟอเหอเหิมตายด้วยความไม่มีหลักมีเกณฑ์อยู่ก็อยู่ด้วยความไม่มีหลักมีเกณฑ์หาเหตุหาผลไม่ได้อยู่แบบเลื่อนลอย คนเราทั้งคนอยู่แบบเรื่อนลอยไปแบบเรื่อนลอยเกิดผลประโยชน์อะไรหาความจริงหาความแน่ใจที่ไหนได้เพราะฉะนั้นจงสร้างความแน่นอนขึ้นให้ที่ใจของเราให้เป็นที่หนักแน่นแน่ตัวเองปัญญาไม่ใช่จะเกิดขึ้นในลำดับที่สมาธิคือความสงบใจเกิดขึ้นแล้วแต่ต้องอาศัยความคิดความค้นความพินิจ พ, พิจารณา ปัญญาจึงจะเกิดขึ้นโดยอาศัยสมาธิเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่แล้วแต่สมาธินั้นไม่กลายเป็นญาเป็นปัญญาขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ใช้เป็นปัญญาต่างหากสมาธิคือทำให้จิตมีความเอืบอีมให้จิตมีความพอใจกับอารมณ์คือทำไม่หิวโหวยในความคิดนู้นคิดนี้หุ่นวายสายแส จิตที่มีความสงบจิตต้องมีความเย็นจิตต้องอิ่มในธรรมตามฐานะของตนแล้วนำจิตที่มีความอิ่มในธรรมนั้นออกพิจารณาที่คลายดูสิ่งต่างๆซึ่งในโลกนี้ไม่มีอันใดจะเหนืออนิจจงทุกขังอนัตตาไปได้เต็มไปหมดมีแต่สภาพเดียวกัน ใใช้ปัญญาพินิษฐพิจารณาจะแงใดก็าตามตามแต่จริตนิสัยที่ชอบพอกับการพิจารณาของเราให้ยกสิ่งนั้นขึ้นมาพิจารณาเฉพาะ อ, อย่างยิ่ยงเรื่องอสุภะกับจิตที่เต็มไปด้วยราคะความกำหนัดดินดีนี่เป็นของคู่ปรับหรือคู่เคียงกัน อิจมีราคามากเป็นไรให้พิจารณาอสุภะอยู่ขังมากอย่างนั้นหนักเพียงนั้นจนกลายเป็นป่าช้าผีดิบขึ้นให้เห็นประจักษ์ใจราคาตัณหานั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมองดูมีแต่ปฏิกูลเต็มตัวใครจะไปกำหนัดินดีในปฏิกูลใครจะไปกำหนัดินดีในสิ่งที่ไม่สวยไม่ไม่งามน่าอิจนาละอาใจมีเป็น ยาแค่ยาระงับอสุภะอสุพังประการหนึ่งให้จิตสงบตัวลงไปเมื่อจิตได้พิจารณาถึงอสุภะอสุพังหลายครั้งหลายหนจนเกิดความชำนิชำนาญพิจารณาคล่องแคล่วว่องไวทั้งรูปภายนอกทั้งรูปภายในจะพิจารณาให้เป็นอย่างไรก็เป็นได้ตามต้องการอย่างรวดเร็ว แล้วจิตก็จะรวมตัวเข้ามาสู่อสุภะภายในแล้วจะเห็นโทษแห่งความ อ, อสุภะที่ตนวาดภาพไว้นั้นว่าเป็นเรื่องสัญญาประเภทหนึ่งทั้งสุภาทั้งอสุภะสองประเภทนี้เป็นสัญญาคู่เคียง ก, กันกับเรื่องของราคะเมื่อพิจารณาได้เข้าใจทั้งสองเงื่อนนี้เต็มที่แล้ว คำว่าสุภาก็สลายตัวลงไปหาความหมายไม่ได้ความว่าอสุภะก็สลายตัวลงไปหาความหมายไม่ได้ผู้ที่ให้ความหมายว่าเป็นสุภะก็ดีอสุภะก็ดีก็คือใจก็คือสัญญาสัญญาก็รู้เท่าแล้วว่าเป็นตัวหมายเห็นโทษแห่งตัวหมายนี่แล้วตัวหมายนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปหมายออกไปได้นั่ เป็นเช่นนั้นจิตก็ปล่อยวางทั้งสุภะทั้งอสุภะคือทั้งสวยงามทั้งไม่สวยงามโดยเห็นแต่เป็นเพียงตุกตาเครื่องเล่นอันหนึ่งในขณะที่จิตยังไม่ชำจนานทานั้นเมื่อจิตชำนานรู้เงื่อนเหตุผลทั้งสองประการแห่งสุภา อ, อสุภานี้แล้วยังสามารถมาย้อน ย้อนทราบเรื่องความหมายของตนที่ออกไปปรุงแต่งว่านั้นเป็นสุภาอสุภาอีกด้วยเมื่อ้สอบทราบความหมายนี่อย่างชัดเจนแล้วความหมายอันนี้ก็ดับตัวลงไปและเห็นโทษแห่งความหมายนี่อย่างชาัดเจนว่านี้คือตัวโทษอสุภาไม่ใช่ตัวโทษสุภาไม่ใช่ตัวโทษความสําคัญว่าเป็นสุภาอสุภาต่างหากเป็นตัวโทษ เป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวให้ยึดถือนานมันย่นเข้ามานีการพนจานรณาื่นเข้ามาอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะกาหนดสุภาหรืออสุภพก็ปรากฏขึ้นอยู่ที่จิตโดยไม่ต้องปแสดงภายนอกเป็นเครื่องหลอกลวงอันไกลเกินไปเห็นปรากฏอยู่ภายในจิต ในขณะที่ปรากฏอยู่ภาณในจิตนั่นก็ทราบแล้วว่าสัญญาตัวนี้หมายขึ้นมาได้แค่นี้ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้แม้จะปรากฏขึ้นมาอยู่ภายในก็ทราบได้ชัดว่าสภาพที่ปรากฏเป็นสุภาเป็นอสุภานีก็เกิดขึ้นจากตัวสัญญาอีกเช่นเดียวกันรู้ทั้งภาพที่ปรากฏขึ้นภายในใจรู้ทั้งสัญญาที่ หมายตัวขึ้นมาเป็นภาพภายัยใจอีกด้วยสุดท้ายภาพภายในใจนี่ก็หายไปสัญญาที่คือความสำคัญความหมายขึ้นมานั้นก็ดับไปเราก็รู้ได้ชัดว่าเมื่อสัญญาตัเคยหลอกลวงว่าเป็นสุภาอสุภาะหลอกให้หลงทั้งสองเงื่อนนี่ดับไปแล้วสัญญาก็ดับไปด้วย ก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกใจการพิจารณาสุภะพิจารณาอย่างนี้ตามหลักปฏิบัติแต่เราจะไปหาในคำผีหาที่ไหนก็ไม่เจอนอกจากหาความจริงคือในคำคำผีที่ใจนี้จะเจอมีเป็นรูป รูปกายก็ทราบได้ชัดเจนกายของเราทุกส่วนนี้ก็เป็นรูปมีอะไรบ้างในรูปนี้อวัยวะทุกส่วนเป็นรูปทั้งนั้นไม่ว่าผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในในกระดูก ม, ม้ามหมัดหัวใจตับตั บ, ตบทางผืวไต ป, ปอดไส้ใหญ่ไส้เลอกอาหารใหม่อาหารเก่า ร้วนแล้วตั้งแต่เป็นรูปเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากใจพิจณาเป็นอสุภะมันก็ตัวอสุภะอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจรนารณาแล้วคำที่ว่าสิ่งนี้เป็นสุภปะสิ่งนั้นเป็นอสุภะใครเป็นผู้ไปให้ความหมาย hmm. สิ่งเหล่านี้เขาหมายตัวของเขาได้ไหมเขาบอกว่าเขาเป็นสุภะเขาบอกว่าเขาเป็นอสุภะไหม เขาไม่ได้บอกว่าอย่างไรอันใดจริงอยู่อย่างไรก็จริงอยู่ตามสภาพของเขาและเขาเองก็ไม่ทราบความหมายของเขาผู้ไปทราบความหมายของเขาก็คือสัญญาผู้หลงความหมายของสัญญาก็คือความหมายของเขาก็คือสัญญาเองเมื่อมารู้เท่าสัญญาอันนี้แล้วสิ่งอันนี้ก็หายไปอีกทางอันก็ต่างจริงความรู้เท่ากาย รู้เท่าอย่างนี้เวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นจากร่างกายกายก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปกายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์ต่างอันต่างริงพิจารณาแยกแยะเห็นตามความจริงสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่ากาย ไม่นิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเวทนาก็ไม่ใช่เราเป็นของเราเป็นของเขาเป็นของใครเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาชั่วขณะแล้วดับไปชั่วการเท่านั้นตามสภาพของเขาเนี่ยสัญญาคือความจําได้จําได้เท่าไรไม่ว่าจําได้ใกล้เดใ็ไกลจาได้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบัน จำได้เท่าไรความดับก็ไปพร้อมๆกันดับไปดับไปเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะจะถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนนี่หมายถึงปัญญาขั้นละเอียดอย่างทราบเข้าไปตามความจริอันนี้ประจักษ์ใจตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครสังขารคือความปรุงปรุงดีปรุงครัวปรุงปรุงชั่วปรุงกลางๆปรุงเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่อง เกิดเรื่องดับเรื่องเกิดเรื่องดับหาสาระสัมพันธ์อะไรจากความปรุงนี้ไม่ได้ถ้าสัญญาไม่รับช่วงไปให้เกิดเรื่องเกิดราวสัญญาก็ทราบชัดเจนแล้วอะไรจะไปปรุงไปช่วงไปยึดไปถือให้เป็นเรื่องยืดยาวต่อไปก็มีแต่เพียงความเกิดความดับภายในจิตใจเท่านั้นนี่คือสังขารมันเป็นความจริงอันหนึ่งอันนี้ท่านเรียกว่าสังขารขัน ขันทัแปล ว, ว่ากองแปลว่าหมวดรูปประขันแปล ว, ว่ากองแห่งรูปสัญญาขันปแปล ว, ว่ากองแห่งสัญญาหมวดแห่งสัญญาสังขารขันคือกองแห่งสังขารหมวดแห่งสังขารวิญญาณขันคือหมวดหรือกองแห่งวิญญาณที่รับทราบในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นตาสัมผัสรูปเป็นต้นเกิดความรู้ขึ้น พอสิ่ง น, นั้นผ่านไปความรับรู้นี่ก็ดับไปไม่ว่าจะรับรู้สิ่งใดพร้อมแล้วที่จะดับด้วยกันทางนั้นหาสาระเกี่งสารสำคัญว่าเป็นเราเป็นข้างเราที่ไหนได้กับขันทั้งห้านี่เนี่เรื่องของขันทั้งห้านี่เป็นอย่างนี้มีอย่างนี้ปรากฏอย่างนี้ และเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เราหาสาระอะไรจากเขาไม่มีเลยนอกจากจิตใจไปสําคัญมั่นหมายและยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนเป็นของตนแล้วแบกให้หนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกขึ้นมาภายในใจิตใจเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเครื่องตอบรับหรือเป็นสิ่งที่สนอง ความสนองก็คือสนองความทุกข์นั่นเองเพราะความหลงของตนพาให้สนองเมื่อจิตได้พิจารณาเห็นสิ่งเหน่านี้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วนั้นรูปก็จริงตามรูปโดยหลักธรรมชาติก็จักด้วยปัญญาเวทนาสุขทุกข์เฉยๆในส่วนร่างกาย ก็รู้ชัดตามเป็นจริงของมันเวทนาทางใจคือความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายในใจก็เป็นเหตุให้จิตได้สะแสวงได้พินิจพิจารณาแม้จะยังไม่รู้เท่าทันสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ยังต้องเป็นเรื่องกระทวนจิตเทือจนจิตให้พิจารณาอยู่เสมอเพราะขั้นนี้ยังไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันเวทนาภายในจิตได้คือสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตาม แต่จะรู้เท่าทันทุกเวทนาสุขเวทนาอุปเปกขาเวทนาทางกายได้ยอย่างชัดเจนวิญญาณก็สักแต่ว่าต่างอันต่างจริงนีชัดแล้วด้วยความเป็นจริงยิดหายสงสัยที่จะยิดจะถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนได้อีกต่อไปเป็นอันว่าสลัดกันต่างอันต่างจริงแม้จะอยู่ด้วยกันก็เช่นเดียวกับ ผลไม้หรือไข่เราวางลงในภาชนะภาชนะก็ต้องเป็นภาชนะไข่ที่อยู่ในนั้นก็เป็นไข่ไม่ใช่อันเดียวกันจิตก็เป็นจิตซึ่งอยู่ในภาชนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมีอยานน่างนี้แต่ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารมิอยางหากเป็นจิตรุ่นล้วนอยู่ภายในนั้นนี่เวลามันแยกชัดเจนแล้วมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้เมื่อจิตได้เข้าใจถึงเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารหนึ่งอย่างอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งหาที่สงสัยไม่ได้แล้วก็จะมีตั้งแต่ความกระดิกพลิกแพงความกระเพื่อมภายในจิตโดยเฉพาะเฉพาะความกระเพื่อมนั้นก็คือสังขารอันละเอียดที่กระเพื่อมภายในจิตสุขอันละเอียดที่ปรากฏขึ้นภายในจิต ทุกอันละเอียดที่ปรากฏภายใจิตสัญญาอันละเอียดที่ปรากฏขึ้นภายในจิตมีอยู่เพียงเท่านั้นจิตจะพิจารณาแยกแยะ ก, กันอยู่ตลอดเวลาด้วยสติปัญญาอัตโนมัติคือจิตท่านนี้เป็นจิตที่ละเอียดมากปลอยวางหิ่งทั้งหลายหมดแล้วขึ้นชื่อว่าขันห้าไม่มีเหลือเลย แต่ยังไม่ปล่อยวางตัวเองคือความรู้ความรู้นั้นแฝงด้วยอวิชชาที่นี่นั่นแหละท่านเรียกว่าอาวิชชารวมตัวร่วมอยู่ที่จิตหาทางออกไม่ได้ทางเดินของอวิชชาก็คือตาหูจมูกกลิ้นกายเพื่อไปสู่รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส เมื่อสติปัญญาสามารถตัดขาดสิ่งเหล่านี้เข้าไปโดยลำดับาหรับแล้วอวิชชาไม่มีทางเดินไม่มีบริษัทบริวารจึงยุบเย็บยุบเย็บหรือกระดุบกระ ด, ดิอยู่ภายในตัวเองโดยหาทางออกไม่ได้สแสดงออกเป็นสุขเวทนาอย่างละเอียดบ้างทุกขเวทนาอย่างละเอียดบ้างสแสดงเป็นความผ่องใสซึ่งเป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์อย่างยิ่ง ในเมื่อปัญญายังไม่รอบบ้างจิตก็พิจารณาอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อจิตแม้จะเป็นความผ่องใสเพียงไรก็ต่างขึ้นชื่อว่าสมมุติยังแทรกอยู่ภายใ น, นนั้นแล้วจะต้องแสดงอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาให้เป็นที่สะดุดจิตพอจะได้คิด อ่านหาทางแก้ไขจนได้เพราะฉะนั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอันเป็นของละเอียดเกิดขึ้นภายในจิตล้วนล้วนนั้นซึ่งมีอวิชชาเจือปอนอยู่นั้นเรือความอัศจรรย์ความสว่างสวัยคำว่าความสว่างสวัยความอัศจรรย์ น, นี้เป็นเรื่องของอวิชชาล้วนล้วนไม่ใช่เรื่องของ วิสุทธิธรรมแท้แต่เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นเมื่อเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วจึงลืมถูกอวิชากล่อมเอาเสียอย่างหลับสนิทถือว่าความผ่องใสนั้นเป็นเราความสุขนั้นก็เป็นเราความอัศจรร์นั้นก็เป็นเราความสง่าผ่าเผยที่เกิดขึ้นจากอาวิชชาซึ่งฝังอยู่ภายในจิตนั้นก็เป็นเราเลยถือจิต ทั้งอวิชชาเป็นเราโดยไม่รู้สึกตัวแต่ก็ไม่นานเพราะอำนาจของมหาสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากไม่นอนใจคอยสอดคอยส่องคอยพิจิตรพิจารณาแยกแยะไปมาอยู่อย่างนั้นตามนิสัยของสติปัญญาขั้นนี้จะนิ่งนอนตัวอยู่ไง่ายๆการหนึ่งเวลาหนึ่งต้องทราบได้แน่นอนโดยทราบถึงเรื่อง สุขที่แสดงขึ้นเล็กๆ น, น้อยๆอันเป็นเรื่องผิดปกติทุกแสดงขึ้นมากน้อยนิดๆในน้อยละเอียดตามพันของจิตนั่นก็าตามก็พอเป็นเครื่องสะดุดจิตให้ทราบได้ว่าเอ๊ะทําไมจึงเป็นอย่างนี้ความสงาาพพ่าผ่าเผยที่แสดงอยู่ภายในจิตความอัศจรรย์ที่แสดงอยู่ภายในจิต ก, ก็จะมีความวิปริตผิดจากปกติขึ้นมาเล็กๆ น, น้อยๆพอให้ สติปัญญาขั้นนี้จับได้เมื่อจับได้แล้วก็เป็นที่ไม่ไหวจะไม่ไหวใจยึงต้องตั้งจุดคือความรู้ล้วนๆ น, นี้ที่เต็มไปกับเบื้อวิชานี้เป็นเป้าหมายแห่งการพิจรารณาเมื่อสติปัญญาขั้นนี้ได้จอลงไปถึงจุดนี้ว่านี้คืออะไร สิ่งอื่นทั้งหลายเราได้พิจารณามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจนสามารถถอดถอนมนันได้เป็นตัวขงตัวเข้ามาเป็นขั้นๆแต่ธรรมชาติที่รู้ที่วัดสว่างสวัยที่ว่าอัศจรรย์นี่นั่นคืออะไรอันนี้มันคืออะไรสติปัญญาก็จ่อลงไปพิจารณาลงไปจุดนี้จึงเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณา หรือจุดนี้จึงกลายเป็นสนามรบขึ้นมาของสติปัญญาอัตโนมัติไม่นานนักก็สามารถที่จะทำลายจิตดวงกระเสริฐโดยหลักโดยหลักอวิชาอัศจรรย์ตามหลักอวิชาสง่าภาพเผอตามหลักเวชาให้กระจายออกไปเสียโดยสิ่งเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือ เมื่อธรรมชาติที่เราเสกสรรโดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นของประเสริฐอัศจารย์เป็นต้นได้แสลายตัวไปแล้วสิ่งที่ไม่ต้องเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของประเสริฐหรือไม่ประเสริฐนั่นคืออะไรนักนั่นคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นเมื่อเทียบกับปิดอวิชชาที่ว่าเป็นของประเสริฐเลื่นโลกนั้น อวิชาทั้งดวงนั้นจึงเป็นเหมือนขี้ควายกองขี้ควายกองหนึ่งดีๆธรรมชาติที่อยู่ใต้อวิชาที่หุ้มห่ออยู่นั้นเมื่อเปิดเผยตัวขึ้นมาจึงเป็นเหมือนทองคำทั้งแทง่งทองคำทั้งแท่งกับบกับกองขี้ควายเลวเหลวนั้นอันไหนจะมีคุณค่ามากต่างกันนี่หละการพิจารณาจิต เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่ตัดขาดจากภพจากชาติซึ่งมีอยู่กับจิตตัดขาดจากอวิชชาตันหาเก็นอวิชชาปจิยาสร้างฆาลาตัดขาดไปเป็นอวิชชายะเววะเสสเวรากรณินิโรธาสร้างฆารานิโรโถสร้งางฆารานิโรธาวิญญาณ น, านิโรโถ เป็นต้นจงกระทั่งถึงเอวเมตัสะเยวรัสกุขขันทสกิโรโทโหติเมื่อวิชาอยู่ภายในจิตใจนั้นดับแล้วนะสังขารที่ปรุงขึ้นมานั้นก็สักแต่ว่าสังขารล้นล้วนไม่เป็นสมุทยัยสังขาราปจิยาวิญญาณัง วิญญาณที่ปรากฏขึ้นมาในาจิตก็เป็นวิญญาณล้วนๆไม่เป็นวิญญาณสมุทัยได้นามรูปังอะไรที่เป็นรูปเป็นนามเป็นสราชนะสัมผัสต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นหลักธรรมชาติของมันเฉยๆเฉย ๆ, ๆไม่ทำความกรามเลิศผ้าแก่จิตใจดวงเสียสิ้นไปแล้วนั้นจงอาทาั่งถึง เอวเอามาตตาเกวรสะบุคขคันทัสสะฮิโรโทโหติคำว่าเอวเมาตตาเกวรสะสิ่งทั้งมวลที่กล่าวมานี้นั้นได้ดับลงไปแล้วโดยสิ้นเชิงเรียกว่าฮิโรเต็มภนะูิใจน่การดับวิเลันหะาวิชา ดับโลกดับสงสารจะดับที่ไหนถ้าไม่ดับตัวจิตซึ่งเป็นตัวโลกตัวสงสารตัวเกิดแก่เจ็บ ต, ตายเชื่อของความให้เกิดแก่เจ็บ ต, ตายก็ได้แก่ราคะทันหามีอวิชชาเป็นสําคัญมีอยู่ที่จิตดวงนี้เท่านั้นเมื่อได้ดับอันนี้ให้ขาดกระเด็นออกไปจากจิตใจหมดแล้วก่อนนิโรธ โ, โหตินานมีเท่านั้น นี่ละ ง, งานแห่งการประิตปฏิบัติตามหลักศาสนาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คงเส้นคงวาไม่มีที่ใดยิ่งยอ r ในบรรดาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าจะไม่ทันกลมายาของกิเลสประเภทใดๆเป็นไม่มีจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิบัต เป็นธรรมที่เหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทตลอดไปจนกระทั่งกิเลสไม่มีเหลือหรอด้วยหน้าแถงมัติมาปฏิปทานี้ให้พากันเข้าใจอย่างนี้ในการปฏิบัติตนให้ถือธรรมข้อนี้ข้อความพ้นทุกเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เหนือโลกกระถาทั้งสามและเราจะเห็นโลกกระถาทั้งสามนี้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่วิเศษที่สูงกว่าความหลุดพ้นแห่งใจจากทุกทั้งหลายในโลกทั้งสามนี้เราต้องเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลประจักใจของตนความเพียรจะได้คืบหน้ากล้าตายต่อสงขางตายก็ตายไปเถึดถ้าตายด้วยการรบการ ขุ้งชิงชัยกับพี่เดชอาศวะซึ่งเคยครอบงำหัวใจเรามานานไม่มีธรรมบทใดไม่มีเครื่องมือใดที่จะสามารถฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสนี้ให้จมลงไปได้เหมือนมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ไม่มีเลยฉะนั้นคำว่าพุทธังเสนังกัดฉามิ จึงเป็นที่นอนใจเป็นที่แน่ใจเป็นที่สนิทใจว่าได้ทรงบำเพ็ญเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่ามาแล้วนี้โดยสมบูรณ์แล้วจึงได้นำมาสอนโลกสัวขาโตภคกวตาธรรมโออันเป็นพระธรรมของพระพบบุทธเจ้าก็ทรงจับไว้ชอบแล้วด้วยการรู้จริงเห็นจริ ง, รงทุกสิ่ ง, ท, ง, ท, งทุกอย่างพระจักรพรรดิไทยจึงได้ นำธรรมะมาสั่งสอนโลกด้สั่งสอนโลกโด้วยสวัขาธรรมคือตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วสังฆทานังกระาาชามิพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยไม่ย่อหย่อนอ่อนกําลังจนสามารถข้ามกิเลสออกภ า, า, าจิตใจ กลายเป็นจิตใจที่เลิอดประเสริฐขึ้นมาเป็นสาระของพวกเราก็ไม่พ้นจากการปฏิบัติตามหลักปฏิปทานี้ทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ขอให้เราทั้งหลายจงฟังให้ถึงใจเราอย่าฟังเรื่องหลอกเรื่องลวงเรื่องตอมแปลงทั้งหลายซึ่งมีอยู่เต็มโลกเต็มชงสาร ให้ฟังของจริงปฏิบัติของจริงสนใจต่อของจริงเราจะเห็นของจริงไปเรื่อยๆในท่ามกลางแห่งของปลอมที่มีอยู่เต็มโลกอย่าพากันสงสยัยการปฏิบัติทมให้มุ่งทางด้านนามมาทำคือศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญยิ่งเป็นสำคัญยิ่งกว่าด้านวัตถุ ด้านวัตุนั้นพอเป็นพอไปก็พอแล้วอยู่สถานที่ใดคนเราเกิดมาจากมนุษย์มาเป็นพระก็มาจากคนคนเขามีบ้านมีเรือนพระก็ต้องมีที่พักที่อาศัยเป็นธรรมดาเราทำพอประมาณอย่าทำให้หรูหราอย่าทำแข่งลกูกแข่งสงสารมันเป็นการสังสมกิเลสขึ้นมา ปรากฏชื่อลือนามไปนในทางโลกทางกิเลสหัวเราะย่ให้ปรากฏชื่อลือนามด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรแก้ไขถอดถอนตนเองให้พ้นจากทุกภัยนวตตะสงสารนี้ชื่อว่าเป็นผู้เพิ่มอำนาจวาสนาโดยแท้อย่าได้ละความภาคเพียรของตนแล้วอย่าลืมไปที่ไหนอย่าลืมเป็นบ้าการก่อสร้าง ไปที่ไหนก่อสร้างยุ่งไปหมดทุกวันมีหน้าอิดหนาละอาใจพอมองเห็นหน้ากันเปยไงสลาเปยไงโรงเรียนจนเสร็จแล้วยังสิ้นเงินเท่าไร <S <S 1> <S 1> แล้วจะมีงานอะไรไหลกว้านบ้านกว้านเมืองกวรบ้านกวนเมืองเขาให้เขาต้องมายุ่งเหยิงวุ่นวายได้หา้าได้สิบแทนที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเล้ยง ร้านเลี่ยงเหลียนกับกลายกวาดเอามาช่วยพระให้ยุ่งไปตามๆกันอันนี้มันเป็นศาสนาควรบ้านควรเมืองขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเอาไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทอย่างนี้เราดูที่กุฏิของพระมันน่าสลดสังเวชขนาดไหนแม้แต่กุฏิผมนี่ผมก็อดละอาไม่ได้เหมือนกันมนะตัง้งๆที่ผมก็อยู่ ผมก็อดละอาเหมือนกันละอายตัวเองที่พักที่อยู่อยู่ที่ไหนอยู่เธอพอหลวมตัวนอนได้นั่งได้แล้วอยู่ไปเถอะแต่เรื่องการทำความภาคเปียนนั้นขอให้มีความหนักแน่นมีความขยันหมั่นเพียรมีอยจาพอเป็นพอไปขนาดไหนอาดแคลนขนาดไหนขอให้เล่งตถาคตเป็น ารณะอยู่เสมออย่าให้หรูหราหน้าเกินเหตุเกินผลสร้างอะไรก็สร้างไปจนแข็งโลกแข็งสงสารเขาอยู่กระตอบกระต่อมหอมหออุสาได้อะไรมามากรมาทำบุญให้ทานกับพระแต่พระอยู่ตึกอยู่ร้านกี่ชั้นหรูหราที่สุดโออาที่สุด ไม่ทราบว่ามีอะไรเป็นเครื่องประดับประดาแข่งกับโลกเขามันน่าละอายโลกเขายิ่งกว่าอะไรตั้งๆั้งไปสีสษะล้นโล้นไม่คิดถึงศีสษะตนเลยมันด้านเกินไปอย่างนั้นไม่ใช่หลักของศาสน า, าขออย่าพากันคิดให้ทำความรู้สึกตัวไว้เสมอนี่ไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้ า, จาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ า, จาแท้ๆ แ, แล้ว ลูกขมู ล, ลเสนาสนังในซายะประประชาตัถเตยาวชีวังอุตซ่างโง่กระน้อยโยบรรพชาประสมบทในพุทธศาสนาแล้วให้เธอทั้งหลายเที่ยว อ, อยู่ตามลุกขมูลล้มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเงื้อมผาที่แจ้งลองฟงังอันเป็นสถานที่เหมาะสมแก่การฆ่ากิเลสเถิดและอุตสาหพยายามทำอย่างนี้ตลอดชีวิตนะเนี่ย งานที่ทรงให้ทาก็เกศาโลมานาขาทันตาตัโจตัโจดันตานาขาโลมาเกศาแล้วนอกจากนั้นก็ว่าไปถึงอาการสารยิบสองผมผนและพันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามขกุ่หัวใจตับพังผืดไตปลอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า ซึ่งมีอยู่กับตัวเธอทั้งหลายจงพยายามคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นแจ้งชัดเจนตามหลักความจริงที่มันมีอยู่ด้วยปัญญาเถิดพวกเธอทั้งหลายเมื่อได้ทำงานงานนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยสติปัญญาอันเต็มภูมิของวีรบุรุษแล้วความหลุดพ้นจากทุกข์อันเป็นสมบัติมหาศาลนั้นจะเป็นของท่านทั้งหลายเองนั่นตังซิมันห่างไกลกันไหม แล้วนมันเป็นไม่เป็นอย่างนั้นกุติก็รลู้ลาอะไรหลูหลาไปหมดญาติโยมสู้ไม่ได้ของดิบของดีเข้ามาทำบุญให้ทานเขากินเพียงกินอะไรก็ได้พอทำเนาขอให้ได้ของดีมาให้ทานพระกุติก็อยู่ดีดี่างชายแม่สอยก็มีแต่ของดิบของดีนอกนั้นยังมีวิทยุยังมีเทวทัตโรทั์ และยังมีรสจนกลไกอีกโอ้ยน่าสลดสังเวชเหลือเกินทำไมข้าพระพุทธเจ้าแบบชดสุดร้อนๆได้ลงคอด้วยความโอ้อาของตนที่เป็นความดืดด้านไม่รู้สึกตัวเลยมันน่าละอายที่สุดขอให้คำานึ ง, งเรื่องเรื่องเหล่านี้ให้มากถ้าเราบวชเพื่ออุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให คำหนึ่งถึงหลักถึงธรรมถึงการดาเนินของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเรื่องใดๆสมัยใดๆก็ตามไม่มีสมัยใดจะเยี่ยมยิ่งกว่าพุทธสมัยธรรมสมัยสังฆสมัยที่พาดําเนินมาอันนี้เป็นหลักใหญ่โตมากท่านทั้งหลายไปพุทธ ป, ปฏิบัตินี่การทีปฏิบัติมาม า, มากพอสมควรเป็นผู้น้อยผมก็เคยได้เป็น ไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์เฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์มั่นฟังจริงๆฟังท่านพูดท่านจะพูดทีเล่นทีจริงเป็นธรรมดาของลูกศิษย์กับอาจารย์เราจะไม่มีฟังเล่นฟังจริงแต่จะมีแต่ฟังจริงฝังใจล้วนๆตลอดมามีความรบรักความเรื่มสายความกลัวท่านมากที่สุดยึดเอาทุกเนี่ยทุกมุมที่จะพึงประพฤติปฏิบัติได้ ได้มาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานี้ก็เพราะำาอำนาจครูบาอาจารย์ที่ท่านใอวาดสั่งสอนมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในวัดของเรานี้แม้จะผิดแผบแตกต่างกับวัดทั้งหลายบ้างผมก็ไม่สะทกสะทานผมไม่ได้คิดว่าเป็นการทำผิดเพราะมีแบบเมีฉบับ ที่รับมาจากครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นแบบฉบับมาดั้งเดิมอยู่แล้วเราจึงได้พาหมูเพื่อนดำเนินอย่างนี้พิถถูกประการใดจะต้องพูดกันตามหลักเหตุผลความเกรง อ, อกเกรงใจกันนั้นเป็นเรื่องของโลกการพูดกันโดยอัดโดยธทรรมเพื่อให้เป็นที่เข้าใจได้ปฏิบัติถูกนั้นเป็นคําแท้เพราะฉะนั้นคาว่ารูปหน้าปาจะมูกจึงไม่มี ในธรรมทั้งหลายของผู้หุ่งต่อธรรมด้วยกันในวาระต่อไปนี้ขอให้ท่านปัญญาได้อธิบายให้มัมเพื่อนฟังเก็ดมาขนานพอสมควรต่อไปหาโอกาสค่อยพูดต่อไปอีก